ปุขโลกาจะขุนทียยะมูลกะในสองอห้าสิบเอ็ดอนุจะขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจะขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจะขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด คาเนนรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดปฏิคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิ <link video> ใช่อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินสีปุริสินสีของบ like oh ุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามวจรภูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดปฏิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยนิสัตภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขุนศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจะโวการะภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจากขุนศีก็เคยเกิดอนุจากขุนรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมณสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ โสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคล ค, ค, บคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจอยในอารมณภูมิ อุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จกักขุนสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปอยู่ในปัญจวโวการภูมิอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจกักขุนสีก็เคยเกิดอนุจกักขุนสีของบุคคลใดในภูมิดาเคยเกิดสะทินสีปัญญรีมนินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 ขานินทริยมูลกะในสองยห้าิบอนุขานินซียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดขานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุขานินซียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ปุริสินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินซีของ nope บุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคลาเนนซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดาเคยเกิดชีวิตินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินซีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด คานินทรีย์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุคาเนนซีย์ของบุคคลใดในภูมิใดาเคยเกิด สมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คาณินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามมวจรภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และคาเนนรียก็เคยเกิดอนุคาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปขินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินซีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาเนนรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่คานินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบาทอยู่ในกาลมวจรภูมิอุเปขินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดอนุคาเนนซียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดซาตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิซาตินซีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาเนนซียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัดทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกรามเวจรภูมิสัดทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปันยินรีย์มณินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ ปฏิมนีน <ENNIS> ีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคลานีนีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คลานีนีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิมนินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานีนีก็เคยเกิด ค้านินธิยะมูลกะในจบอิทินริยะโมูลกะในสองอยห้าสิบสาอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อิทินธิยามูลกะในจบ ปุริสินธิริยมูลกะในสองยห้าสิบสอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ชีวิต no also, ินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินทร์สีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกวามมรจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินทร์สีก็เคยเกิดอนุปุริสินทสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมนสิลป์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมนสิลป์สีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกรามาวจรภูมิสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปขินสี ปุินินีปัญญินรียมณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินทียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดบุริสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่บุริสินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิ มนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินร์สีก็เคยเกิดปุริสินทรียาโมลกะในจบชีวิตินทรียาโมลกะในสองอห้าสิบห้าอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุปาจูในสุดทาวาสภูมิเป็นไปอยู่ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศัยสันสัตวภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวรภูมิและปัญจวะภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณสินสีก็เคยเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาันนิสัตภูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินทรียีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเบกินทรียีก็เคยเกิด ปติอุเปกินรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตินรียปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยใสัตวภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปัญญินทรียไม่เคยเกิด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 บุคบคลผู้อุบปาจู่ในอสัญญสัตตภูมิชีว society, elite, ิตินทร์ซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนินทรียีไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปายู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมณินทรียีก็เคยเกิดปฏิมนินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ ชีวิตินทรียามูลกะาในจบโสมนสินทริยามูลกะในสองยห้าสิหอนุโสมนสินสี่ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุปายูในสุท่าวาสภูมิเป็นไปอยู่อุปเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปายูในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณสินสีก็เคยเกิดอนุสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สถินสี i, ปัญญสีมนิณีสีของบุะคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช occur, yes. ัยปฏิมณียีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูม ah ิน huh ั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุปาจูในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่มนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมณสินสีไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุปัจุเนจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมณินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมณสินรียก็เคยเกิดโสมณสินทริยะมูลกะในจบอุเปขินทริยะมูลกะในสองอห้าสิบเจ็ดอนุอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินสีปัญญินรีมณินีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อุเปกินทรียะมูลกะในจบสัจทิ Lloyd นทรียะมูลกระในสอง้อห้าสิบปดนุสัจทินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญทรีมนินทรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ มณินรียีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดส eh ัจตินรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สัจตินิยมูลกะในจบปัญญินทิยมูลกะในสองร้อยห้าสิบเ้าอนุปัญญีสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมณินรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินีสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ปัญญีสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทริยมูลกะในจบปัจจีกะบุคคลจกขุนทริยมูลกะในสองร้อยหกสิบอนุ จากขุนศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตินรียของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิโซตินรียของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากขุนศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินศียของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิด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 ชีวิตินทรีสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหม่วิไม่มีปฏิชีวิตินทรีสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากคุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหม่วิไม่มีอนุจากคุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสมนัสินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหม่วิไม่มีปฏิโสมนัสินรสีของบุคคลใดไม่เคยเกิด จากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดอุเบกขินศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิอุเปกินศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัตทินศีปัญญรี มณีนีสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมณีนีสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีจากขุนธริยมูลกะในจบภาณินธริยมูลกะในสอง้อยหกสิบเอ็ดอนุภาณินรียีของบุคคลใดไม่เคยเกิดอิทินสีปุริสินสีชีวิตินรีย สมนสินสีอุเบกินสสะินสีปัญญินสีมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมนินรียของบุคคลใดไม่เคยเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีคาณินทริยะมูลกะในจบปัญญทริยะมูลกะในสองหกสอนุ ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมนินิจของบุคคลนั้นก็ไม่เคย เ, คยเกิดมีไหมวิไม่มี ป, ปฏิมนินทิจของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปัญนทริยมูลกะในจบปัจจ尼กะโอกาสจากขุนทริยมูลกะในสอง้อยหกสิบสามอนุ จากขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสดินศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินศีในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคาเนศีในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิในรูปาวจรภูมิคานินรียในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จกักขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอาศัญเสัตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินรียไม่เคยเกิดและจกักขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุจกักขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดปิทินสีปุริสินรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรีในภูมิใดไม่เคยเกิด จักขุนสีปปนนนสสสน ใ, น ภ, ใ น, สนภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริศินศีไม่เคยเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญาสัตวภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริศินศีไม่เคยเกิดและจักขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุจักขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิจินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิ ชีวิตินสี ì, ในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดไม่ไหมวิไม่มีอนุจากขุนศีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนสินศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนสินศีในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีในภูมิใดไม่เคยเกิด โอเปกหินส um um ีในภูม <Exactly. S 2> ok um ิน uh ั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นจะขุนสีไม่เคยเกิดแต่อุเปกขินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญสัตวภูมิในภูมินั้นจะขุนสีไม่เคยเกิดและอุเปกขินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิอุเปกหินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จกขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินรีปัญญรีมนณีศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นจกขุญสีไม่เคยเกิดแต่มนณีรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอาศัยศัตทภูมิในภูมินั้นจกขุนสีไม่เคยเกิดและมนณีศีก็ไม่เคยเกิดปฏิมนณีศีในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิ Hon. ใช่จกคุณธริยะมูลกะในจกคลานินธริยะมูลกะในสองอยหกสอนุคลานินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดอิถินสีบ ma ุร <im> ิสินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิบุริสินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดคลานินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลานินสีในภูมิใดไม่เคยเกิด ชีวิตินทรียีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิชีวิตินทร์ซีในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนซียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุคราเนนซียในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินซียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปเอวจรภูมิในภูมินั้นคราเนนซียไม่เคยเกิดแต่สมนณสินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด ในอาศัยนิสสัตตภูมิและรูปภูมิในภูมินั้นคาเนนซีไม่เคยเกิดและสมนสินซีก็ไม่เคยเกิดปฏิสมนสินซีในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนซีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนซีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินซีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้น คาเนนซีไม่เคยเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นคาเนนรียไม่เคยเกิดและอุเปกินรีก็ไม่เคยเกิดปฏิอุเปกินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินทรียในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินรียปัญญรีมณินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ ในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคลาเนนรียไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอาศัยเสัตภูมิในภูมินั้นคลาเนนรียไม่เคยเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินรียในภูมิใดไม่เคยเกิดคลาเนนรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่คลาเนทริยะมูลกะไหนจบอิทินทริยะมูลกะไหน สองรอหิบนุอิชินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดหิชินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อิชินทุริยะมูลกะในจบปุริสินสีทุริยะมูลกะในสองอหกสอนุปุริสินสีในภูมิใดไม่เคยเกิด ชีวิตจีนรียในภูมินั身身 Mul, ้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิชีวิตจีนรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดไม่ไหมวิไม่มีอนุปุริสินรียในภูมิใดไม่เคยเกิดสมนทรสินรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินรียไม่เคยเกิดแต่สมุนทรสินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิด ในอาศญยสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่เคยเกิดและสมนสินีก็ไม่เคยเกิดปฏิสมนัตสินีในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้น ปุริสินีไม่เคยเกิดแต่อุเปกินีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตภูมิในภูม um so. ินั้นปุริสินีไม่เคยเกิดและอุเปกินีก็ไม่เคยเกิดปฏิอุเปกินจีในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตถินีปัญญินีมณินจีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญสัตวภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่เคยเกิดและมนินรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทริยะมูลกะในจก ชีวิตินเทริยะมูลกะในสองอยหสิบเจอนุชีวิตินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิโสมนัสินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุชีวิตินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินสีสทินรีปัญยินรี มณีนีซีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมณินีซีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตตินรีในภูมิน mind, e ั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดชีวิตตินธริยะมูลกะาในจบโสมนัสสินทธริยะมูลกะาในสอง้อหสิบแอนุโสมนัสสินรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม ว the so. e ิใช่ปฏิผูเปกินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสมณสินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดสตินรี์ปัญญินรีมนินรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ โสมนสินทริยะมูลกะะในจบอุเปขินทริยะมูลกระในสองร้อยหกสอนุโอเปขินจีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตถินซีปัญญินซีมนินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปขินซีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่โอเปขินทริยะมูลกะะในจบ สัตตินทร리ยมูลกะในสองยเจ็สิอนุสัตตินรีใ น, ญญน 4, นในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญียมินทรีในภูมิ น, น, นัน้ น, น, นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะนีนีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สัตตินทร리ยมูลกระในจบปัญญทริยมูลกะในสองยเจ็เออนุ ปัญญินทรียในภูมิใดไม่เคยเกิดมะณินทรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะณินทรียในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินทรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทริยามูลกะในจบ จะนื้อกะบุกคโลกาจะขุนทริยะมูลกะในสอง้อยเจ็ดสิบสองอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดค่าเนนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติค่าเนนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคาเนนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิอสัญญสัตภูมิและอรูภูมิคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทินสีปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด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 จากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิ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 อนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเบกินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญัตถภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเบกินศีก็ไม่เคยเกิดปฏิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนณีศีกใใไ็ไม่เคยเกิดปฏิมนณีศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่จากขุนธริยะมูลกะในจบคานินธริยะมูลกะในสองเจสิบสามอนุ คลาินทซียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทินซียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคลาเนนซียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ปุริจินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคาเนนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุท้าว่าสภูมิคานินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัตวอยู่ใน ร, <CA> รูปาวจรภูมิคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบั um ติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตภูมิและอรูปภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมณสินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิดาไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิใช่อนุคาเนนรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดบุเปขินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในโรปาวจรภูมิและอรปาวจรภูมิคาเนนซีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปขินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญาสัตภูมิคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และอุเปคินซีก็ไม่เคยเกิดปฏิอุเปคินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินซีปันยินซีมนินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ คาเนทซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินซีไ um, ม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปายู่ในสุท um> ่าว่าจภูมิและอาจารย์สัตตภูมิคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินซียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่คานินทริยะมูลกะในจก อิทธินิริยมูลกะในสองร้อยเจ็ดิบสี่อนุอิทธินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินิริยมูลกะในจบปุริสินทริยมูลกะใน 27งอนุปุริสินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินซีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินทรียีของบุคคลเหล่านั Из ้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด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 อุเบกหินร e ีของบุคคลนั <ım. S 1> <buenas S 2> ้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเบกหินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเบกหินรีก็ไม่เคยเกิดปฏิ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 แต่มนินทร์สีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปายู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญัตถภูมิปุริสินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทริยะมูลกะในจบชีวิตตินทริยมูลกะใน สองอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัอยู่ในอ ส, สัญญาสัตตภูมิ สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิต hm นินทรียไม่ใท่ไม่เคยเกิดในอุปาทัขณะแห่งอุปาติจิต hm i, i, i, ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุท่าว่าสภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรียก็ไม่เคยเกิดอนุชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบขินรีสัทินรีย์ปัญญินรียมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์มิใช่ไม่เคยเกิดในอุปาทขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และชีวิตอินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดชีวิตอินทริยะมูลกะในจกโสมนสินทริยะมูลกะในสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอนุโสมนสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินสีซาตินสีปันยินรีมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ สมนันิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุท้าวาสภูมิและอสัญญสัตภูมิสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมนัติสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สมนัติินทุริยมูลกะในจก โอเปคินทริยามูลกะในสองยเจ็ดสิบปดอนุอุเปขินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสาตินซีปันยินรียมนิณรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนิณซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปขินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อุเปคินทริยามูลกระในจบ สัตทินทรียโมูลกะในสออยเจ็อนุสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์มณินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สัตทินทรียโมูลกะในจบปัญญนทรียโมูลกะใน องอนุปัญญินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนินซีของบุคคลนั้ oui. Teraz, e. นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทรรยะมูลกะในจบ